มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนตกะปัญห า, ต, าติทยวัครพระคัภีโตปาท ะ, ะปปปติกะปะติตะปัญหาที่หถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปณนะที่ใดแผ่นดินสูงก็ราบที่ลุ่มก็เต็มขึ้น เหตุไรสเกตศิลาจึงกระเด็นมากระทบพระบาทสเกตศิลาก็เป็นชาติแผ่นดินเหมือนกันมิใช่หรือราชาอันว่าสมเด็จบรมกษัตริย์ขัตติยาธิบดินมิลินทราราชมีสุนทรประกาศไต่ถามซึ่งอัตถปัญหาอันอื่นสืบไปอีกล่าวว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนเจ้าผู้จำเรินตุมเหพาน พระผู้เป็นเจ้าเจราจาไว้กับโยมว่าสมเด็จพระบรมโลกนาณเสด็จลีลาดดำเนินไปสู่คามเขตประเทศ ต, ตำบลใดก็ดีอยังมหาปฐวีพื้นพิภพปฐพีที่สลายลุ่มเป็นเลนลมประการใดก็ดีพื้นแผ่นดินนี้สิหาจิตวิญญาณไม่ได้เหมือนหนึ่งว่ามีจิตมีใจที่ไหนเป็นเลนลุ่มลม ก็บริบูร์เต็มเสมอเหมือนถมลงใหม่ๆอุณะตังที่ไหนสูงโสดเป็นโคกโขดอยู่โดยแท้ก็ปรวนแปรราประรื่นเสมอเหมือนดังหน้ากลองชัยเพรีปุณะจะปรังครั้นมาครั้งนี้ทำไมเล่าพณนธะพระผู้เป็นเจ้ามาว่าไปใหม่อีกเล่า ว, ว่าสะเก็ดก้อนศิลา กระเด็นมากระทบพระบวรบาดแห่งสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ้าใช่ไหนเล่าก้อนศิลาจึงไม่กระเด็นกลับไปอย่างที่สเก็ตศิลานี้ใช่ชาติปัทถีหรือจึงดึงดื้อกระเด็นมากระทบพระบวรบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลกกาตาน่าสงสัยถ้าว่าจะถือเอาคำหลังที่ว่าไว้ว่า สเก็ดศิลากระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลกานาเจ้านั้นยังมิได้สิคําเดิมที่ว่าแผ่นดินหาจิตวิญญาณมิได้ก็เสมือนหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณถึงว่าจะลุ่มเลนลมก็บันดาลดอนถึงจะสูงเป็นแง่ชะง่อนก็เรียบร้ยเสมอเป็นอันดีเมื่อสมเด็จพระชินทร์สีทรงพระดาเนินไปคาอันนี้ก็ผิดก็ครั้นว่าจะเชื่อคาที่ว่า แผ่นปัทพีที่ลุ่มกลับเป็นดอนที่สูงเป็นชะง่อนก็ราบเสมอเป็นอันดีเมื่อพระจินนาสีพุทธองค์ทรงพระดำเนินไปเหมือนหนึ่งว่าแผ่นพระธรณีมีจิตมีใจนิเล่าคำหลังที่ว่าสะเกดศิลามากระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้าคำนิเล่าก็ผิดเป็นวิชฉาอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้เป็นอุพโตโกติ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงโปรดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้เทโรอันว่าพระหน้าเกษเถระเมื่อจะชี้แจงสำแดงซึ่งอัตถปัญหาจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชดูกระพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐหาผู้เสมอไม่ได้คำที่อัตมาภาพถวายพระพรไว้ว่าอายังมหาปัทวีแผ่นพระธรณีอันใหญ่ อันหาเจตนามิได้นี้แม้ว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าส่งพระดำเนินไปที่ไหนลุ่มก็เต็มบริบูรณ์ที่ไหนภูนก็ราบดุดปราบไว้ด้วยเดชพระบารมีคำอันนี้อัตมาถวายพระพรไว้ไม่ได้ผิดพระองค์อย่าทรงพระวิมติสงสัยข้อที่อัตมาถวายพระพรไว้ไม่ได้ผิดพระองค์อย่าทรงพระวิมติสงสัย ข้อที่อัตมาถวายพระพรไว้ว่าสกเก็ดศิลามากระทบพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็จริงมิได้ผิดแต่ทว่าก้อนศิลาใช่ว่าจะกระทบกันเองแล้วและกระเด็นมาหามิได้กระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ด้วยความเพียรของพระเทวทัตทว่าศิลากระเด็นมาโดยธรรมดาเองหาเหตุมิได้ ก็ไม่กระทบพระบาทจะโทษเอาคำที่ถวายพระพรไว้ก่อนว่าหาจริงไม่ยังไม่ชอบก่อนมิใช่กระนั้นศิลามากระทบพระบาทสมเด็จพระมหากรุณาเพราะเหตุที่พระเทวทัตกระทําจันทานมหาราชาดูกระร้พระราชสมภารผู้ประเสริฐพระเทวทัตผูกเวรแก่สมเด็จพระพุทธเจ้ามาพระหูนี้ชาติสตะสหัสสานิ ประมาณแสนชาติเป็นอันมากแต่อาคาจองเวนมาครั้นว่าพระเทวทัตได้โอกาสก็กลิ้งศิลาก้อนใหญ่ลงไปเพื่อจะให้ทับสมเด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่มรณภาพด้วยพระเทวทัตคิดจะเป็นพระเจ้าแทนพระพุทธองค์แต่ว่าก้อนศิลาใหญ่ที่กลิ้งมาครั้งนั้นทเวเสหลายังมีภูเขาทั้งสอง พุดขึ้นจากแผ่นดินเข้าประคองรับรองไว้ศิลาอันใหญ่ที่กริ่งมาก็ยุติอยู่ในที่นั้นแต่ทว่ากระทบกันเข้าด้วยกำลังแรงก็แตกเป็นสะเก็ดออกไปสะเก็ดศิลานั้นกระเด็นไปกระทบนิ้วพระบาทแห่งสมเด็จพระมหาการุณาสัมมาสัมพุทธเจ้ากุตาคารศิลาที่เทวทัตรกริ่งลงมานั้นพระเดชพระพุทธบารมีนี้ เห็นเป็นอัศจรรย์บังเกิดภูเขาทั้งสองขึ้นกลางกั้นไว้ภูเขาทั้งสองนั้นเสมือนหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณโอนาเมตวาน้อมคอมเข้ามาเล่ประหนึ่งว่าเครือเขาเถวัลถ้ามิฉนั้นนาคาวิยะพละวันตาดุดพระยาน่าขนองว่องไวในสมุดและผุดขึ้นกระทำพังผานต้านรับศิลาอันพระเทวทัตกลิ่งมาการนั้น ถามิฉะนั้นสีโหวิยะอาัมพีตาภูเขาทั้งสองขนององอาจดุจหนึ่งราชสีถามิฉะนั้นมาตาวิยะดุจหนึ่งมาดาเมื่อบุตรของอัตมาขนองโผลโจรเข้ามาและเอามือซ้ายขวารับประคองบุตรแห่งตนไว้ถ้ามิฉะนั้นไซปิตาวิยะดุจบิดามีน้ำจิตกะรุณา เอามือซ้ายและขวาเข้ารับประคองลูกของตนไว้ถ้ามิฉะนั้นสิทโววิยะดุดดังสิทธ์รับบริขารแห่งอาจารย์ถ้ามิฉะนั้นสขาวิยะอปริจตาดุดสหายเพื่อนตายที่รักอย่างสนิทอันไม่ได้คิดจะทิ้งขว้างเพื่อนกันให้เป็นอันตรายถ้ามิฉะนั้นเสมือนหนึ่งอมาต ร, ราชการอันรับสเสด็จสมเด็จพระบรมกษัตริย์ ถ้ามิฉะนั้นเสมือนหนึ่งเทวดาคอยรับเสด็จสมเด็จอมรินทราที่ราชพระมุโนวิยะถ้ามิฉะนั้นดุดมูพรมอันอุดมไปในฌานเข้านอบนอบหมอบเฝ้าเท้ามาหาพรมนี้ดูละม่อมละไมยะถามีขรุวนาฉันใดภูเขาทั้งสองเข้ารับรองศิลาเท่ากุตาคารประศาสไว้อุ ป, ปมาเหมือนดังนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเรินก็ศิลาใหญ่โตเท่ากูตาคาระประสาททีเดียวไม่ใช่เล็กน้อยภูเขาทั้งสองยังรับรองไว้ได้ก็ฉะไหนสเก็ดศิลาเล็กนิดหนึ่งเท่านั้นภูเขาทั้งสองนั้นจึงมิป้องกันไว้ให้ได้ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปให้สิ้นสงสัยโยมก่อนพระนาคเสนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะพระยาผู้ประเสริฐเลิศในสมบัติผู้เขาทั้งสองรับรองกุตาคารศิลานั้นไว้ไม่ให้ตกลงไปถูกพระองค์เจ้าแต่สะเก็ดกระเด็นไปถูกพระบาทได้นั้นมีครุวนาฉันใด อุปมัมดังบุคคลเอาฝ่ามือเข้ารับรองไว้ซึ่งน้ำนมน้ำมันปเปรียงน้ำพึ่งน้ำอ้อยมีประการต่างๆที่เป็นน้ำนั้นฝ่ามือมีขอบคันมรดจก้นได้อุทกังก็ตั้งแต่จะบาไปไหลไปอังคุลันตริเกนะตามระหว่างนิ้วมืออันห่างนั้นยะถามีขรุวนาฉันใดศิลาทั้งสองรับรองศิลาอันใหญ่ไว้ได้ แต่สะเก็ดนั้นกระเด็นลอดไปมีอุปมาดังบุคคลรองน้ําด้วยซองมือและน้ําลอดไหลาตามระหว่างมือได้ฉะนั้นเหตุฉนี้สะเก็ดศิลาจึงลอดลอยไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าได้วาปณะนะแม้อหนึ่งโสดเล่ามหาราชะดูกระพระยาผู้ประเสริฐอัตมาภาพจะขอถวายอุปมาอีกข้อหนึง่ง สัญหะสุขุมะอนุรชะสมะสทิสาวาลูกาอนุวสายทั้งหลายที่ละเอียดสุขุมยิ่งนักประหนึ่งว่าประมานูบุคคลกำไว้ในกำมือก็ไม่ได้ตั้งติดอยู่ได้ทั้งหมดย่อมจะลอดร่วงตกไปได้บ้างตามระหว่างแห่งนิ้วมือยะถามีครุวนาชันใด สเก็ศิลาที่แตกกระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าก็มีอุปมาเหมือนฉะนั้นว่าปนะแม้อนหนึ่งโสดเล่ามหาราชะดูรานะพระยาผู้ประเสริฐอัตมาภาพจะถวายอุปมาอีกข้อหนึ่งก่าวว่าโลคหิโตบุรุษถือเอาซึ่งคำข้าวคำข้าวนั้นไม่ได้ปั้นเป็นก้อนให้แน่นตั้งแต่จะตกร่วงไป มิได้ตั้งอยู่ที่มือหมดมักกระเด็นไปบ้างยะถามีคาุวนาฉันใดบพิษพระราชสมภารผู้ประเรสริฐศิลาอันเป็นสะเก็ตน้อยกระเด็นลอยไปภควะโตปาเทปตันติก็ตกต้องพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอุ ป, ปมาเหมือนเม็ดข้าวอันตกไปฉันนั้นบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ พระองค์ทรงทรงสันนิษฐานทราพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเรินเหตุที่ว่าภูเขาทั้งสองป้องกันซึ่งกุตาคารศิลาไว้ได้โยมเข้าใจแล้วโหตุความนี้จงงดไว้เดี๋ยวนี้โยมสงสัยนักหนาว่า สะเก็ดศิลานี้ล้วนเป็นพื้นปัทภีไม่มีเจตนาไม่ทำคารวะเคารพพระพุทธเจ้าเลยช่างกล้าหารกระเด็นไปกระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าได้และช่างมีพิษฤ์ษเดชมากมายกระทำให้เกิดพระโลหิตห่อขึ้นได้โยมนี้สงสัยนักหนาขอพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนานาการครั้งนี้เถระ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูกะระพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเรสริฐสเกตศิลาใช่ว่ามีฤทธิ์มีเดชเสมือนพระองค์ว่านั้นหามิได้ก็เหตุที่ไม่เคารพคารวะพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สิองประการต่างหากกะตะเมทวาทศะอคารวาเหตุที่ไม่เคารพสิองประการนั้นสิ่งไรบ้างมหาราชะ ดุกระพระยาผู้ประเสริฐอคาระวะสิองนั้นรัตโตราคาวะวเสณนะคือบุคคลประกอบไปด้วยราคะมิได้เคารพนบนอบด้วยอำนาจราคะอันกล้าหาญในสันดานประการหนึ่งกุตโธคนที่ประกอบไปด้วยโทสะมิได้เคารพนบนอบด้วยอำนาจโทสะกล้าหาญประการหนึ่งมุนโโหคือบุคคลหลงไม่ได้เคารพ ด้วยสามารถโมหะประการหนึ่งกุปปีโตคือบุคคลที่เขายกย่องมีใจกำเริบฟุ้งไปมิได้กระทําซึ่งเคารพด้วยสามารถมานะประการหนึ่งนิกคุโนคือบุคคลไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณจึงไม่เคารพด้วยหาคุณเอวิเศษมิได้ประการหนึ่งอติทัตโตคือคนที่กระด้างยิ่งนักไม่รู้จักเคารพนอบนอม ด้วยไม่มีทำเครื่องห้ามทำให้โอนอ่อนประการหนึ่งฮีโนคือบุคคลหินชาติต่ำช้ามิได้กระทำเคารพด้วยภาวะเป็นคนชั่วช้าประการหนึ่งวัชนะกรโวคือบุคคลจะกระทำโทษมิได้เคารพด้วยภาวะถือตัวว่าเป็นใหญ่ประการหนึ่งป้าโปคือบุคคลมีใจเป็นบาปมิได้กระทำเคารพ ด้วยภาวะเป็นคนกระด้างประการหนึ่งทุกโโหคือบุคคลที่อันใครๆให้ถึงความทุกข์แล้วมิได้เคารพด้วยมุ่งจะตอบแทนให้ทุกเกิดแก่ผู้นั้นบ้างประการหนึ่งลุโทโโคือบุคคลโลภมิได้กระทำเคารพด้วยตนนั้นอันโลภหากครอบงําในสันดานประการหนึ่งอายุหิโต คือบุคคลที่มัวขนขวายประมวลมาซึ่งประโยชน์ของตนอยู่มิได้เคารพด้วยมุ่งจะทำประโยชน์ให้สาเร็จกลัวผลประโยชน์ของตนจะเสื่อมไปประการหนึ่งสีริเป็นเหตุที่มิได้เคารพ12ประการนี้มหาราชะดูกระบอพิอันประเสริฐสะเกดศิลานั้นถ้าไม่แตกออกจากศิลาใหญ่แล้วศิลาทั้งสองก็รับรองไว้ได้ เอสาปณะปรับปฏิกาสเกตศิลาแต่กระเด็นออกนั้นด้วยกำลังกระทบกันกระเด็นไปโดยอากาศนั้นจะได้กำหนดว่าจะไปในทิศนั้นๆและจะให้ถูกต้องพระพุทธบาทกระนั้นกระนั้นหาไม่ได้มีครุวนาฉันใดมีอุปมาเสมือนหนึ่งว่าลมหัวด้วนพัดหวนหันหอบเอาสับพบา้าใบไม้อันแห้งขึ้นไปในอากาศ สัพพะใบไม้จะได้รู้ว่าจะตกทิศนั้นๆหาไม่ได้ก็สเก็ดศิราที่กระเด็นไปถูกพระบาทพระพุทธเจ้าก็เหมือนดังใบไม้นั้นประการหนึ่งขอถวายพระพรซึ่งสเก็ดศิลากระเด็นไปกระทบพระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อให้พระเทวทัตผู้เป็นคนอากตันอยู่กระด้างหยาบช้าได้เสวยทุกขเวทนาในอบาย ด้วยโทษที่ตนกระทาเป็นความผิดพระองค์ได้ทรงฟังแล้วอย่าลืมหลงจงมณัติการไว้โดยในายะอันอัตมาภาพวิสัชนาด้วยประการดังนี้ราชาครั้งนี้พระยามิลินได้ทรงฟังทราบ พ, พระไทยก็ซองสาธุการสรรเสริญพระหน้าเกษด้วยโสมนัสว่าโยมได้ฟังครั้งนี้ท่วนทีจำได้ถนัดแน่นอน โยมจะจำไว้สั่งสอนกุลบุตรภายหลังดุจนนยะอันโยมได้ฟังในการบัดนี้พระควะโตปาทะปับปติกะปติตะปัญหาคำรบหกจบเท่านี้